สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีเยปทานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่หกสิบเรื่องคนชอบธทมและพระพรพี่น้องครับคนชอบธทมนะครับรับพรและเป็นพรครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบข้อที่หกถึงข้อที่สิบเอ็ดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สิบข้อที่หกถึงข้อที่สิบเอ็ด พระพรอยู่เหนือศีสะของผู้ชอบธรรมแต่ความทารุณท่วมปากคนชั่วร้ายการละลึกถึงของคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสียใจที่ประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในพระบัญญัติแต่คนที่พูดโง่โง่จะถึงความพินาศผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่งคงดีแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่ว ก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่นผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่ผู้ที่ตักเตือนอย่างกล้าหาญจะสร้างสันติภาพปากของคนชอบทำเป็นบ่อน้ำแห่งชีวิตและปากของคนชั่วร้ายปิดบังความทารุณพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมได้กล่าวไปเมื่อวานนี้ว่าในพระคัมภีร์ชุภาสิบบทธิ์บทที่สิบเป็นต้นไป นะครับก็จะมีคําที่สําคัญสําคัญเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็นตอนไม่ได้จะต้องแยกการไขครวนพิพิธพิจารณาเป็นข้อข้ อ, ขอไปแต่ถึงแม้กระ น, นั้นก็ตามเราก็ยังเห็นถึงโครงสร้างทางความคิดของวรรณกรรมของคนยิวนั้นเราจะมองเห็นได้ว่าคนยิวนั้นคิดอย่างเป็นระบบครับคิด อย่างเป็นระบบและสามารถที่จะใช้ระบบนั้นเกื้อกูลต่อสิ่งที่เขาตั้งใจหรือเขาหวังที่ให้เป็นพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคนชอบทำคนชอบทำนั้นเป็นแหล่งแห่งพระพรให้กับคนอื่นๆตัวเองนั้นเขาได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าครับเขาจึงกลายเป็นพรและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาจะเป็นทานแห่งพระพร นะครับทานแห่งพระพรเพราะว่าความช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างในหลายๆลายทางนั้นหลังหลามาถึงเขาเขาก็เป็นทานแห่งพระพรครับเป็นแหล่งแห่งพระพรที่จะช่วยเหลือคนอื่นนี่คือชีวิตของผู้ที่ชอบทำพระภีบอกว่าคนที่เป็นผู้ชอบธรรมนั้นเขาจะเป็นพรในขณะเดียวกันครับชื่อของเขาจะใช้เป็นคําโวยพร นั่นหมายความว่าชื่อเขานั้นมีนัยสำคัญนะครับที่ทำให้เราเห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือคนชอบทำพระคุณของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าที่อยู่เหนือคนชอบธรรมนั้นทำให้เขาเป็นผู้ที่รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและหากเขาตายไปแล้วชีวิตของเขานั้นก็ยังสามารถ หรือคาสอนของเขาคําพูดขเขานั้นก็ยังสามารถถูกอ้างอิงได้และช่วยคนอื่นๆได้อีกมากมายดังนั้นเองพังพีข้อนี้เป็นจริงเฉพาะคนที่ชอบทําคนที่ดีคนที่สร้างสรรคสังคมคนที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ น, นี่นะครับคือคนที่มีความรักอย่างแท้จริงในหัวใจของเขานนั้นจะต้องมีความรักนะครับและใน ส, สิ่งที่เขาทำนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขาชอบโดยพออย่ำยิ่ง สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นมากมายในสุดแล้วพระเจ้าจะเลือกถึงเขาครับชื่อของเขาจะใช้เป็นคํำอวยพรจะถูกใช้เป็นคํำอวยพรนะครับพี่ของเขาจะถูกใช้เป็นคํำอวยพรนะครับอย่างน้นอยๆก็ในครอบครัวหรือในวงเพื่อนนะครับแต่เรายังไม่เคยเห็น ผู้นำประเทศไหนในยุคปัจจุบันนี้ชื่อของเขานั้นจะเป็นคำํำอวยพรให้กับคนอื่นนะครับแต่ในพระเจ้านะของพระเจ้าเพิ่งผีเดิมนั้นมีชื่อมากมายครับที่เมื่อเวลาอ่านชืิตของเขาแ ล, ล้วรู้จักเขาผ่านทางพระเจนะของพระเจ้านั้นเราก็จะรู้ว่าเขากําลังชืิตของเขานั้นกําลังนําพรมาถึงพวกเรานะครับ นะครับต่อไปครับเรามาดูครับจิตใจที่ฉลาดของคนชอบทำพร้อมที่จะรับคําสอนด้วยความถ่อมใจครับพี่น้องคนที่ฉลาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนชอบทำที่ฉลาดเขาพร้อมที่รับคําสอนด้วยความถ่อมใจและนําไปปฏิบัติปฏิบัติแก้ไขชีวิตของตนเพราะฉะนั้นคนชอบทำนั้นเขาจะเดินในทางของเขานะครับด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นคงปลอดภัยพระพเจ้าจะเป็นคนที่ดูแลเขาในขณะที่คน ในขณะเดียวกันครับคนชอบทำก็จะตักเตือนคนอื่นอย่างกล้าหาญเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่รับคําตักเตือนได้รับการสอนได้รับการตำหนิหรือว่ากล่าวได้ในเชิงบวกคือติเพื่อก่อตำหนิเพื่อก่อว่าเพื่อก่อนี่คือสิ่งที่คนชอบทำจะรู้ครับและเขาจะรับไว้ในขณะที่คนอัดคำนั้นไม่รับครับนะคนชอบทำจะ ตักเตือนคนอื่นได้ด้วยครับเพื่อจะสร้างสันติภาพนะครับคนชอบธรรมนั้นเขาจะพูดความจริงครับปากของเขานั้นจะเป็นบ่อน้ำผู้ซึ่งให้ชีวิตเพียงครับคําว่าบ่อน้ำผู้ ท, ที่ให้ชีวิตนั้นก็เปรียบเสมือนกับคนที่หิวกระหายน้ำแทบจะตายเดินมากางเชลยทรายเป็นเวลาหลายวันน้ําของเขาก็หมดขอบคุณพระเจ้าที่เขาเดินไป ผ่านเนินทรายตรงนี้เขาเห็นโอเอซิสครับแต่โอเอซิสนั้นเป็นความหวังเดียวของคนเดินทางในถิ่นทุรกันดาลที่หลงทางพี่น้องครับปากของคนชอบธรรมนั้นเป็นเหมือนกับโอเอซิสครับเป็นบ่อน้ําพุซึ่งให้ชีวิตในขณะที่คนชั่วร้ายนั้นเขาจะพูดแต่ความโหดร้ายทารุณเขาจะพูดในเชิงบวกพี่น้องครับเราต้องสอนลูกหลานของเรานะครับให้เราฝึกพูดในเชิงบวกครับอย่าฝึกพูดในเชิงลบ ในขณะที่คนชั่วร้ายจะพูดแต่ความทารุณโหดร้ายนะครับแต่ปากของคนชอบทมจะเป็นน้ําพุแห่งชีวิตพี่น้องครับคนชอบทานั้นในที่สุดชื่อเสียงของเขานั้นก็สูญไปล่วงไปและไม่มีใครคิดถึงเขาอีกในแง่ที่ดีไม่มีใครฉลองวันเกิดของเขาพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนอธรรม เพราะการพูดพร้อยของเขาจิตใจที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเล่เจ้าเล่เพทุบายและพวกนี้นะครับคำพูดพร้อยของเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองนำตัวเองถึงความหายนะเขาเดินอยู่ในทางที่ลดเลี้ยวเคี้ยวคดเป็นทางที่ไม่ตรง หไม่เพียงแต่เท่านั้นครับคนธรรมเหล่านี้เขามีเขาเรียกว่าพรอดแผนชั่วไว้ในใจเพราะฉะนั้นเขาจ้องอาศัยการขยิบตาเพื่อสื่อสารแสดงถึงความเจ้าเล่ห์แสดงถึงคาสั่งต่างๆที่รับการตกลงกันไว้ก่อนเขาขยิบตาแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่น่ากลัวหน้าไหวหลังหลอกหน้าอย่างหลังอย่างหนึ่งเป็นพวกที่มีเลสไนครับ สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆดูในตาของเขาใช่ไมครับพระเงินผีบอกว่าในตาของเขานั้นก็ซ่อนความชั่วร้ายทารุณพี่น้องครับเวลาที่เรามองตาคนที่ตาโตนะครับพี่น้องที่ตาโตเนี่ยก็ทำให้คนอื่นอ่านตัวเองได้ง่ายครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าในตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเป็นคนอัดทามเป็นคนชั่วร้ายในตาของเขานั้น ก็ซ่อนความชั่วร้ายมีวันหนึ่งครับจะถูกเปิดโปงออกมาและพระเจ้านั้นทรงเกลียดชังความโหดร้ายทารุณ น, นะครับในพระธรรมมรารคีบทที่สองข้อสิบหกสิบหกเพราะว่าเราเกลียดชังการอย่าร้างและการที่ใครก็ทำการการุณการทารุณนะครับจงระวังให้ดีอย่าเป็นคนทรยศอย่าให้ใครทำทารุณกรรมใครอย่าให้สามีภรรยากันอย่าร้างกันพินังครับชีวิตของคนชอบทำนั้น เป็นชีวิตที่น่าเรื่อนรมชื่นชมน่าปรารถนามากนักนะครับและเมื่อคนชอบทาตายไปชีวิตของเขาก็ยังพูดอยู่ครับเป็นแหล่งแห่งพระพรฝ่ายวิญญาณให้กับคนอีกมากมายได้ในทางตรงนันข้ามครับคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ไม่ละลึกถึงหรือต้องการที่จะลืมคนชั่วลายครับแม้แต่ชื่อของเขาก็เลว้ายชื่อของเขานั้นก็ไม่มีใครนามาตั้งเป็นชื่อลูกหลานและ ชื่เสียงของเขาจะเน่าเปื่อยไปเหมือนกับซากศพครับพี่น้องครับในขณะที่คนมีปัญญานั้นว่านอนสอนง่ายยินดีจะมีปัญญามากขึ้นแต่คนโง่ไม่ยอมหยุดพูดโง่ๆครับคนที่มีเจตนาร้ายต่อคนอื่นเมื่อแรกเริ่มนั้นอาจจะไม่เป็นที่น่าสงสัยแต่เมื่อนานไปเข้าชีวิตของเขาจะผูกเปิดโปงออกมาทีละทีน้อยพี่น้องครับคนที่ตกเป็นเหยื่อของคนอาธรรมเนี่ยนะครับจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังและไม่คิดว่า เขาจะเป็นอย่างนี้พี่น้องครับโดยสรุปครับคำพูดของคนชอบทำและชนดฉลาดนั้นเหมือนกับน้าครับบ่อน้ำที่ให้ชีวิตให้ความชื่นฉ่ำคำพูดของเขาเหมือนกับโอเอซิสกลางทะเลทรายครับที่ให้ชีวิตเหมือนกับทานน้ำเย็นสำหรับคนที่เดินทางเหน็ดเหนื่อยในทะเลทรายพี่น้องครับประเด็นที่ผมจะให้เป็นข้อคิดในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องพูดความจริงด้วยใจรักครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับ บางครั้งนะครับเกิดความคับข้องใจพี่น้องครับเราต้องไม่เก็บความคับข้องใจทางอารมณ์ไว้เราจะต้องกําจัดขดจัดความเข้าใจผิดโดยการแบ่งปันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองโดยไม่กลัวความขัดแย้งระยะสั้นนะครับและพี่น้องครับการเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญพูดความจริงด้วยใจรักนั้นจะสามารถนําไปสู่การสร้างสันติในระยะยาวได้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับ หากเราต้องเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญพูดความจริงด้วยใจรักและให้เรามั่นใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถนําไปสู่การสร้างสันติในระยะยาวได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างการสื่อสารที่ดีในระยะยาวได้ถ้าเรากล้าที่จะคอนฟลอนอาเมน